พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่ารักษาร่างกายให้พอประมาณมเมื่อคึ้นในนก ผีกองกอยมันห้องอยู่ขางๆกุฏิลงพรนะตอนตีตีซีซีที่ผ่านมันขึ้นกองก้อยก้อยก้อยโอ้ห้องคักกว่าไก่กุฏิที่โบพ่อสองสามวานเราเบิ่งเบิ่มันห้องขักวนะ่าหนกพีกองก้อยมันมาหออา้องยังไงปะพอห้องพอได้หายเงียบไปบนะ้านพอหายเงียบไปสักพักหนึ่งตนใหม่ ยากอย่างงี้ไม่ย่างโคนทั้งหลังวัดหอมหมดตายเน่ยวะผมมันมันคนทับกู้บาบุนเนาะนกพีของกอยมะห่าบอกเข้าเลยบัดนี้ยว่าเอาเลยบอกลงมหาพระยุเวนชลาเอ้ยพระโมแมนไ์ใหม่ฮักทับกุฏิพระบุญอมบัดเนี่ยวะทั้งหลังวัดคนน่ะดังเลยว่าไม่ย่างอีตั้งหักเพราตากคนสองโอ้ด้ะไหมตัวเนี้ว่าเสียงดังปะเนี้ยวะ ไปบอกว่าไงวะกัมมนาหาไม่ทับกุฏิพาให้ใจในทักที่เทียอยู่หงนันกัมมันตายเราวก็ไข่รับเขอมแล้วก็ตายแล้วก็แ ล, วก แ, ลวกแล้วพ่อหาขาหักแขนหักอุยอุยว่ามีพปรไอด์อยปรอะไรเนี่ไปไบอกไหมพาทุกสาระาไปหายเงียบไปอีกสักพักหนึ่งบ่ไีนนกผีกองกอยมันมโหองอีกสองตได้บน่นกลับมาอีกบ่เน่มันหายเงียบไปแล้ว ห้องก้อยก้อยเจนึงห really the so so so ้องไก่เนห้องไก่อ่ะเออมันคงมารายงานว่าบ่ไปย่างนกงพอลบ่หักทับผาเนีกปีกองก้อยมันมันมารายงานอีกคนหนึ่งว right? ่าบ mm. ่ไปยัางนก롱พอไหม่ก <attachment> ็จะบ่ใหม่บ่หักทัพผาดอกที่ว่าเลยมามารายงานนงพอนะลอีกสักหน่อยหนึ่งหองแล้วก็ไปเอานกปีกองก้อย โดนแล้วได้บ่นอะยินหาได้ยินเมื่อคืนนะ่ะนกผีกงกอยคือนกเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งแต่คนมาอยู่วัดเน่ยถ้าได้ยินเสียงมันเสียงเย็นนะกลางคืนมันเงียบอีกต่างหากเพราะงั้นเถอะไอ้พวกที่มานอ น, นวัดแดงโดยมากไอ้คนขี้กลัวผีอยู่แล้วนะ่ะพอได้ยินเสียงนกฮูกตัวนี้ร้องเนาะอเอาผ้าข้อมหัวแล้วข้อมอีกแล้วงั้นเถอะมันร้องอากองก้อยก้อยก้อย กอ้กอยก้อยก้อยเนี่ย น, นก น, เนกเนี่ยนกฟูกนี่นกนี่ก็เหมือนกันนกกลางพ้นมามาถึงตรงนี้นมันจะร้องเป็นหมู่ขึ้นมาเลยนะมารวมกันร้องเลเสียงสนานวันไหวสรุปแล้วมันมาเห็นชาลาเรามันมาร้องประเทศไทยลงลำเนื้อาชาติเสื้อไทยเป็นประชาลัตว้าวเฮ้ยไหน เพราะมันมาอยู่มันมาอยู่ใกล้ศาลามันเห็นศาลาเราเอ่ใกล้ข่าว่าศาสนาเนี่ยเป็นล่มประเทศชาติบ้านเมือง อ, อยู่เย็นเป็นสุขข่าได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะร่มศาสนาเพราะนั้นมาเห็นศาลาหลวงพอ่อเห็นพระเห็นในอยู่ศาลาเล่นเมื่อมันร้องเพลงชาติอย่นานงลักษณะนั้นมันไปพอมาเห็นแล้วจากนั้นก็หายเงียบไปล้ว นกกรลางมันร้องเพลงชาติหลายตัวมันร้องพร้อมกันแล้ถ้ามมาเนี่ยมันมาเจอแล้วมันจะมาร้องมาเจอสลามันจะร้องเสียงสนันวันไว้พร้อมกันเหมือนกับร้องเพลงชาติลักษณะอย่างนั้นเมื่อวานหลวงพ่อบอกให้เนี่ยพวกช่างที่ทำกุดตีหลวงพ่อท่านรัตนทันหลงตาชฉลี่แต่ก็ทำดี ทำดีละเอียดทำได้ดีแต่ว่าจะทําตั้งแต่นู้นน่ะตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษานะ่ะก่อนเข้าพรรษาจะเสร็จก่อนเข้าพรรษาเร็ตหรือเสร็ จ, รจทำพอทํำทํามาเรื่อยก็ยังไม่เสร็จหอยมันพอหยุดมาเข้าพารรษาแล้วอ่ะเข้าพรรษาก็ยังไม่จุดจนเตือนครึ่งเอ เดือนครึ่งก็ยังไม่เสียเจต่อไปอีกลหลวงพ่อเลยยื่นโนทติดเลยเมื่อวานเะขียนป้ายบอกเลยหยุดนะเอาไว้ก่อนออกพรรษาค่อยทำในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะมาก่อสร้างในวัดต้องการความสงบช่วงออกพรรษาก่อนพรรษาน่าจะทำให้มันจบแต่มาถึงจุดนี้แล้วมันต้องหยุด พอรถมันวิ่งขึ้นวิ่งลงฟิ่งเข้าวิ่งออกมันลำคาญลำคาญเนะ่ยไม่ถึงก็เสียงสนานบันไว้แต่มันก็มีนะงานมันก็ต้องมีเสียงนะแต่ผู้ที่ทําเขาอยากจะทําให้มันปลาณน็ทําให้มันดีแต่ดูผลงานก็ดีปลาเน็ดดีแต่ว่าความล่าช้าเนะี่ยหลงพ่อไม่ชอบความล่าช้าพอทํามันก็ต้องรีบทําำเตรียมพร้อมเลยก็ จัดช่างมาเลยมาทำมาลุ่มมาตุ้มมาตุ้มยังไงมันจะเสร็จเร็วๆอย่างนั้นเพื่จึงจะถูกเพราะมังกุฏิลงพ่อเนี่ยนูงพ่อไปหาหลบพักที่อื่นไปหาหลบพักที่อื่นกลางวันเผอกลางคืนยังมีผงอีกควันอีกแพ้ควันอีกต่างหากแพ้ฝุ่นอีกต่างหาก หลวงพ่อทุกวันมันไม่เหมือนพระน้อยพาหนุ่มน ะ, ะมันจะป่าเข้าเจ็ดสิบแล้ววันนั้นใครจะทําอะไรกับเกี่ยวกับหลวงพ่อใครก็ตามจะจะทําอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อเนี่ยต้องรีบทํารีบจัดรีบทําให้มันจบจบไม่ใช่ใทําแบบ เ, เฉยแฉะเลื้อลังมาวันละคนสองคนมลหลอกกอกแกด็ดอะไรแกดกอกอย่างนะี้ มันดูดูแล้วมันมันไม่ใช่ที่จะมาทําแบบนั้นถ้าพร้อมแล้วก็มากับมันรูมันตุ่มแล้วก็รีบจบรีบเสร็จไม่ใช่ว่าจะปล่อยทําเออเหยลอยลมไปเรื่อยมันไม่ใช่หลวงพ่อมันไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มมันเป็นพระที่จะเข้าหีบเข้าลงพลังแล้วทําไมมาอยู่กับเราตรงนมนาน ทำไมไมาคิดไม่ออกเลยของเพียงแค่นี้ใครจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเราต้องรีบทำถ้ามันอยู่ใกล้ชิดเราถ้ามันอยู่ห่างก็ไม่เป็นไรอย่างป่าลำไยนะก็เอาเถอะป่าลไยนั่นะก็ปล่อยให้ทำไปแต่ทำไปทำไปแล้วเออเราเห้ยลอยลงไปอีกคงจะจืนโนติดอีกอย่างเก่าแนละ้วสั่งยุดอีกมันจะไม่ทำทำไมทำเยอะๆรือๆรอๆร้อลัง เราไม่ได้เห็นงานเป็นสารนางคัดฉามินะเราเห็นธรรมเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะยึดแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไว้เรื่องงานน่ะํำเป็นแล้วค่อยทำถ้าไม่จำเป็นแล้วก็เอาพักไว้ก่อนอย่างศาลาข้างนอกมันอยู่ไกลแต่พระก็จะไปหาลุ่มล่ามกันองค์ไหนที่จำเป็น ยังค่อยออกไปไปดูแลการงานไม่ใช่ว่าจะไปถือเครื่องเที่ยวเครื่องเล่นออกไปเที่ยวไปเล่นอยู่ทั้งนอกไปโม้ไปคุยอยู่ทั้งนอกมันไม่ใช่เรื่องของพระหลวงตามหาบัวท่านให้ความสำคัญมากเรื่องการเรื่องงานถ้าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารพอสร้างเสร็จแล้วนะ กระดูพระนะไปอยู่ฝังอยู่ในฐานโบสถ์ฐานพิหารนะท่านบอกทําไมท่านจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าการก่อสร้างพอสร้างเสร็จแล้วพระใฝ่ใจในการก่อสร้างทุ่มทั้งกายทุ่มทั้งใจห่างเหินจากสมาธิภาวนาแล้วกัมีแต่จะทําการทํางานอย่างเดียวมุ่งแต่ทางานอย่างเดียว ผลในสุดพอ ง, งานเสร็จคุนธรรมในจิตใจหมดจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจแห้งผากในธรรมจิตใจเดือดร้อนตายออกจากศาสนาผลในสุดก็นั่นเป็นคารวะาท่านบอกว่านะพอสร้างโบสถ์วิหารศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะั่นกระดูกพระที่สร้างนะไปฝังอยู่ใต้ถุนโบสถ์วิหาร วงตาท่านพูดอย่างนั้นท่านให้แนวความคิดพวกเราต้องพิจารณานะเรื่องการก่อสร้างไม่ใช่พ้นดีแต่ถึงจำจำเป็นถึงข่าวทาก็ต้องทำแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่นกหนูปูปีกขนาดนกหนกูเขาก็ยังมีลวงมีลังมีรูมีโพรงไม้อาศัยเราเป็นมนุษย์เป็นพระแท้ๆจะไม่มีอะไรพึ่งพาอาศัยจริง มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทำอะไรกันรู้หลาโอ่อาเกินไปเกินความจำเป็นอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกคะให้เหมาะสมนี่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้คิดทั้งหมดเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้าวัดเป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่คิดหัวหน้าไม่วางแผนไม่พาดำเนินหัวหน้าไม่คิดไม่อ่านหัวหน้าไม่อยู่ใน หลักธรรมวินัยจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดหมดคณะชาธาญาติรวมโยมลูกหลานนะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สิบเก้า ว, วันที่สิบเก้าคงจะบินทบาทในวัดนะวันพุ่งนี้นะบินทบาทพระจะไม่บินทบาทในหมู่บ้านจะบินทบาทในในวัดที่บินทบาทที่ซาลาก็พี่น้องประชาชนคงจะมามากเพราะเป็นวันเทศกาลของเขา ในพรรษาเนี่ยจะมีบุญข้าวประดับดินและก็คราววันพุ่งนี้จะเป็นบุญข้าวฉลากไงฉลากกพัดพี่น้องทางอีสานเนี่ยเขาจะมาทําบุญทุกครัวเรือนอหลังไหลแหกันมาทุกครัวเรือนมีแต่คนเฝ้าบ้านคนสองคนนะั่นนอกนั้นทางลูกทางหลานแห่กันมาทําบุญตามปกตินะเพราะวันพุ่งนี้จะเป็นวันทําบุญ ข้าวฉลากกรพัดทาบุญถวายอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะนั้นปีนี้เราก็บอกว่าวัดของเราควรจะบินทบาทในวัดในวันสำคัญพอเราไปในหมู่บ้านเสร็จแล้วเขากลับมาเขาเขาก็มาใส่บาตรที่วัดอีกมันเป็นการไทยใส่บาตรสองขยักเพราะนั้นให้พี่น้องชาวบ้านลูกหลานมาเตรียมตัวใส่บาตรที่วัดเลย พระสงฆ์ทั้งบิณธบาต ท, ทั้งสี่สายสี่หมู่บ้านก็จะมาปินธบาต ท, ที่ซาลาใหญ่ที่หน้าป่าลำใหญ่พร้อมกันแล้วก็พร้อมกันก็ให้เตรียมพวกรถพวกขนอาหารกัอย่างที่เคยทำมาคราวที่แล้วน่แหละพระควรจะแน่แนวบอกลูกศิษย์ลูกหลานของเราควรปฏิบัติตนอย่างไร การจัดโโหงอาหารเพราะว่าวันพุ่งนี้ที่ว่าคนคงจะมามากอยู่และก็พร้อมกันเมื่อเราทานอาหารไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลแล้วก็รับศีลรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะทำพิธีบรรจุ อธิธาต์พระธาต์ของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วที่ซาลาเนี่ยชาลาที่ฉันน้ําของพวกเราข้างบนที่ห้องพระพวกเราได้หลวงพ่อได้เตรียมไว้แล้วอธิธาต์พระธาต์ของท่านบรรจุใส่ข้างหลังเป็นตลับแล้วกับพวกเราคงจะพร้อมกัน หลวงปงู่ทั้งสีทั้งสี่ท่านไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพวกเราทุกคนพวกเราควรจะเตรียมพร้อมเมื่อฉันเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปทำพิธีไหว้พระเสร็จแล้วก็คงจะทำพิธีสวดอิติปิโสจากนั้นหลวงพ่อจะได้บรรจุอธิษฐานใส่เบื้องหลังของทั้งสีองค์ เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลพวกเราจะได้กราบไหว้หลวงปู่มั่นกับมีเกษาของท่านคือผมของท่านยังมีอยู่ที่คนถวายหลวงพ่อโดยบังเอิญ น, นะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพหลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอคิดแล้วก็ดีก็จะได้อติธาต์หรือว่าอะไรของหลวงปู่มั่นมาใส่ในองค์ท่านบ้างนะคิด คุณหลวงก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ผมมีเกสาหลวงปู่มั่นทางพี่น้องชาวกนะูบาอาจารย์ทางสกลนครเอาให้ผมผมขอถวายท่านอาจารย์โอยพอดีพอ ด, พอดีนี่แหละหลวงพ่อก็ได้เกสาหลวงปู่มั่นจะใส่พระอบจากนั้นก็โคงบรรจุเข้าไปในองค์ท่านนะเป็นตลับสเตนเลสตลับขาวนะ แต่หลวงพ่อไม่ได้ใส่ตลับทองคํานะแล้วก็ไม่ได้ใส่เพชรนินกินดาอะไรใส่แต่พระาธาตุอย่างเดียวนั่นแหะก่อนที่จะบรรจุพวกหลวงพ่อก็จะเปิดให้พวกเราได้ชมได้ดูซะก่อนเมื่อเปิดชมดูเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะปิดนจากนั้นก็คงจะได้นํามาบรรจุในองค์ท่านแต่ละแต่ละองค์ถ้านเราไม่เปิดให้ดูก่อน เดี๋ยวจะสงสัยว่าหออลวงพ่อในสายเพชรนินจินดาของมีคุณค่าหรือเปล่าเข้าไปในนั้นออต่อไปภายภาคหน้านกมีหูหนูมีปีกเดี๋ยวก็มาทุบพระทุบรูปเหมือนหลวงพ่ออีกแต่ทั้งที่ท่านไม่ได้ทำอะไรออลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าอยากจะได้ของ อ, อ, อยู่ในองค์พระเนี่ยไม่ได้คิดถึงบาปถึงบุญหลวงพ่อก็คิดไปไกลๆเหมือนกันนะ เ, ออเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้อง ทำอะไรให้เปิดเผยให้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมโลูกหลานให้ได้ยินได้ฟังทุนหน้ากันนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราเตรียมพร้อมนะวันพุ่งนี้เนะแต่ก็ต้องระมัดระวังวัดหลวงพ่อกำลังมันฝนตกบ่อยๆสำหรับผู้สูงอายุก็ระวังลื่นเนีย่ยหลวงพ่อเป็นห่วงอย่างมากๆเลยนะเป็นห่วงมากๆเลยเรื่อง ถนนหนทางการเที่ยวเดินบางทีก็เดินด้วยความไม่ระมัดระวังเดินคุยกันแบบไม่ได้แล้ ว, ลวในระวังตัวพอมันล้มพัวลงไปล่ะขาหักแขนหัก อ, อพอแขนไปค้ากัแขนหักอะไรตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอายุขึ้นมากระดูกมันจะพุ่นจะผุได้ง่ายต้องระมัดระวังการเดินนะที่ตุ่มๆนั่แนแหละถ้าใส่รองเท้าฟองน้ําแล้วก็เดินตรงนั้นน่ะ มันจะไม่ลื่นที่ให้เดินจะไปเดินข้างๆถ้าเดินข้างๆเดี๋ยวหกล้มได้ง่ายๆต้องระมัดระวังร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถนะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับรถเนบางคนน่ออกกำลังกายจนเกินไปวิ่งทักทัักทัักทั้งทีอายุถึงห0สิบเจ็ดสิบแปดิบแล้วหลวงพ่อโอ้จะไปวิ่งอะไร ร่างกายถึงขนาดนี้เหมือนกับรถเราใช้มาสิบกว่าปีแล้วแล้วจะมาหาวิ่งออกกำลังมันก็พังหมดสิลูกมักฟันเฟืองอะไรมันหลวมหมดแล้วเราจะไปวิ่งอะไร เ, เพียงแต่ ว, ว่าเราสตาร์ทเครื่องให้มันติดขึ้นมาแล้วก็บิดขี้เกียจให้มันซะบ้งางเพื่อให้มันได้อุ่นเครื่องอถ้าไม่อุ่นเครื่องเลยก็ไม่ได้ ทำให้ออกกำลังซะเลยก็ไม่ได้ต้องออกแต่จะไปออกเกินไปเหมือนการรถเน่ยร่างกายของเราถ้าเราใช้ถูกนะแต่บางคนใส่น้ำมันเข้าไปจนมันชํำลักจนท่วมคาบิลสตาร์ทไม่ติดอีกต่างหากอันนี้คืออะไรคือทานอาหารไม่รู้จักประมาณตัวเองเราเมื่ออายุแก่แล้วอาหารก็ต้องเด็ดดูอีกเหมือนกันเราจะทานอาหารประเภทไหนกับของเรา ของมันเหมือนแต่เหมือนแต่ไมเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเราจะไปกินอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกกินอิ่มจนเกินไปแล้วก็อิ่นพอประมาณนะ่ถ้ากินอิ่มจนเกินไปก็เหมือนกับเราบรรทุกรถให้มันหนักเกินไปนะรถมันแบกหนักเกินไปรถมันก็พังได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยนี่แหละท่างกายเหมือนกับรถอย่างที่ว่านะถ้าออกกาลังกายมันวิ่ง เตเรเปิดเปิงออกกําลังกายมากเกินไปรถกันนั้นก็พังได้ไง่ายๆอีกเหมือนกันถ้าว่านอนแช่อยู่ไม่สตาร์ทเครื่องซะเยลยรถกันนั้นก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกัน น, นี่แหละอันนี้กัการรักษาร่างกายของเราก็เหมือนรักษารถ น, นนะนอนพอประมาณฉันสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์อย่าไปเกินไปอย่าไปให้หิวเกินไปอย่าไปออกกํำลังมากเกินไป จะไปออกไม่ออกกำลังเกินไปก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ทำาอะไรเลยก็ไม่ได้ต้องทำต้องใช้สมองต้องใช้ศีสษะต้องใช้มันสมองแล้วก็ต้องภาวนาด้วยทำจิตใจให้สงบอย่าให้มันคิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุง้งปรุงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน <_ an> เอเผลอๆมันหิวมันหยเออมันโรยแรงเข้าไปเผลอเๆเบอร์เบอร์บ้าบ้าบอบอลมันจะเข้ามาอลไรที่ไหนเพราะอะไรเพราะปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปคิดอะไรก็ไม่รู้คิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดถึงญาติพี่น้องคิดตังใครตกใครจะไม่เคยเห็นหน้าเขาก็ยังคิดถึงเขาเอาพอได้เห็นได้ยินข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดอบ่นคิดอยู่งั้นที่ไหน คิดไม่มีเหตุมีผลต้องคิดพุดโทโธเ่ต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจคิดอะไรมากตั้งแต่เราไม่เกิดมากับเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่แหละโลกไม่ใช่เราคิดโอ๊ยถ้าข้าตายเนี่ยชูเจ้าจีพายทั้งประเทศทั้งโลกนั่นะถ้าคอยดูนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเดยโอ๊ยหลวงพ่ออินรีบตายไนดะ้เขาจะว่ายอย่างนั้นอีก เพราะนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นโลกปัจจุมันเป็นไม่ใช่ของเราเรามาเกิดในโลกเนี่ยสิ่งไหนที่เราเลาจะสร้างคุณงามความดีเราก็ต้องทําความดีให้มากที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราจากไปแล้วก็นั่นอ่ะคือจากไปคนที่อยู่เบ้างหลังเขาก็ทําไปตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกเราต้องดูสรุปแล้วก็คือ ให้ภาวนาเนะี่ยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่ามาเกิดในดีที่สุดถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกมันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารมันน่าเบื่อจริงๆใครที่บ่นว่าเออ รักษาสุขภาพอย่างนู้นรักษาสุขภาพอย่างนี้อย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างพวกเราได้ยินเมื่อกี้เนะ่ยหลวงพ่อออกให้ออกกําลังกายพอสมควรอแต่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อคงจะนอนตาเลื่แมแอบแให้พวกลูกหลานได้เห็นอีกเหมือนกันเอา้าทําไมหลวงพ่ออินเอแต่ว่าให้รักษาสุขภาพกายบริหารกายทําไมหลวงพ่ออินยังมา นอนตาเรื่อมแแมบแมอยู่อย่างนี้อ่เพราะเหตุไรจะว่าอย่างไงถึงจะรักษาอย่างไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น่ะร่างกายสังขารของคนเราถ้าบางคนก็คุยโม้ชีวภาพอย่างนั้นอาหารชีวภาพอย่างง้นอย่างนี้ตึงรักษาสุขภาพได้แต่อีกสักวันหนึ่งตัวเองไป น, นอนอยู่โรงพยาบาลอีกอย่างเก่านั่นมันเกิดแก่เจ็บตายในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเกิดแล้วก็แก่ แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่ก่อนที่จะตายนั่นแหละเทนี่เราจะมีอะไรในจิตในใจของเราโซเฟอร์มีอะไรก่อนที่จะจากรถคันนี้ไปเน่ยโซเฟอร์ได้เตรียมพร้อมละยังเตรียมสเสบียงไว้ละยังเตรียมเพชรนินจินดาใส่กระเป๋าไว้ละยังก่อนที่รถคันนี้จะพังอ่ะเนี่ยแหละจุดนั้นะสาคัญ พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญจุดนั้นจุดที่ว่าก่อนที่จะหนีจากรถคันนั้นที่เราใช้มาตั้งแต่เราเกิดมาเราขับออกมาจากท้องแม่เราเข้าไปปฏิสนธิในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเกิดการเกิดของมนุษย์การเกิดของสรรพสัตว์ในโลกฉนันเลยว่า กำเนิดสี่ชลาพุ ช, ชะเกิดในขันอันทชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าในใครในสิ่งทกปกมักหมมโอปป า, ปาติกาเกิดผุดขึ้นคล้ๆาๆแิญญาเข้ามาแล้วก็เป็นอะไรเกิดผุดขึ้นมาอันนี้บ่กการกำเนิดที่เกิดของปิญญาณ ชรลาพุชะเนี่ยคืออะไรกัคืออย่างมนุษย์ช้างมา้าวัวควายหมูหมาอันธชะเกิดในใครกับพวกเป็ดพวกไก่พวกห่านพวกนกอันนี้อันธชะสังเสระชะเนี่ยพวกที่เน่พวกสิ่งไส้เดือนที่มันเกิดในในสิ่งที่หมักหมมบางทีเราเราเอางน้าหรืออะไรไปตั้งไว้ในที่หมักหมม มันชื้นมันมีอะไรเกิดขึ้นในนั้นนะเอออันนี้เรียกว่าอันทชาท่าชังเสียทชาาท่าโอปปาติกาโอปปาติกาสมัยเป็นหล่งพ่อเป็นเด็กเคยเห็นนะใบไม้มันเกิดเป็นมแมลงแมลงตมข้าวทั้งที่ใบไม้มันติดอยู่ในในควันอยู่นะอยู่ในติดอยู่ไม้ไม้อยู่แต่ขาของมันอะดินแนวหนวแนวนวนละ แต่มันดูยังเป็นใไบป ไ, ปไม้อยู่เออทําไมไมแปลกๆเลยอันนี้แหละถ้าจะว่าไปประเภทนั่นโอปปปาติกะเกิดผุดขึ้นแค่แค่วิญญาณไปเกาะไปเกาะในในใบไม้นะั้นมันก็เลยเป็นรูปร่างขึ้นมานี่แหละอันนีโอปปปาติกะเกิดผุดขึ้นนี่แหละกําเนิดมีอยู่สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ท่านพูดไวนะ้ ในชาลาพุทชาติเนี่ยเกิดในคันเนะี่ยอย่าพวกเราเนี่ยเกิดในคันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกนะพวกเราศึกษาพอลุงพ่อเนีอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกแนตะ่ถึงจะเป็นลุงพ่อเป็นพระป่าพะระธงวัตเตอนะร์นะลุงพ่อต้องศึกษาในพระไตรปิฎกนะั้นไม่ใช่ น, น้อยเหมือนกันเรื่องตำรับตำราเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินัยแต่พระอภิธรรมท่านนะ่ะลุงพ่อไม่ได้อ่านมากเพราะอภิธรรม การเคลื่อนไหวที่ว่ากุสลาธรรมาจิตที่เป็นกุศลอากุสลาธรรมาจิตที่เป็นบาปอกุศลอัพยากตาธรรมาจิตที่ไม่เป็นบาปจิตที่ไม่เป็นบุญปจิตที่เป็นกลางกลางอัพยากตาธรรมะจากนั้นก็บรรยายเอยสุขเวทนาทุกเวทนาสัมปยุตตาธรรมะมันสัมปยุตกันไปเลยสรุปแล้วก็คือ การเรื่องกายถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าใจของเราเหมือนกับวัวเออวัวไปกินยากมีอาการหนึ่งเอ่อวัวที่มันชีมีอาการหนึ่งวัวที่มันคายมีอาการหนึ่งเออวัวที่มันก้าวขาขาขวาขาขาซ้ายเออขาหลังขาซ้ายขาหลังแกวงหาแกวงเออหางแกงแกวงหัวน่ก็นับเป็นอาการของมัน เออทีนี้พระอภิธรรมเลยจะนับทุกอกับกิริยาของวัวที่ที่มันเดินไปนี่แหละอันนี้ก็คือพระอภิธรรมแต่หลวงพ่อฟงัฟงฟงังดูแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ให้ศึกษาอะไรมากเพียงตั ว, ว่าให้ดูใจเท่านั้นอ่ะเออดูใจมันอกับกิริยาของใจมันออกไปกี่ทางต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาปัญญาอัตโนมัติต้องดูเอ่อต้องใช้อย่าให้มันเผลอดู การเคลื่อนไหวของใจใจนึกคิดเรื่องอะไรอากับกิริยาอย่างไรมันไปทางโลภไปทางโกรธไปทางหลงไปล่างทางราคาโทษคือโทษสัอารมณ์มันเป็นยังไงที่มันเกิดขึ้นมาจากตัวรู้ท่านดูสังเกตตัวผู้รู้น่ะดูใจอันนี้แหละอันนี้ก็คือโดยมากครูบาอาจารย์ท่านจะให้ดูจุดนี้เรื่องอภิธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องพระสูตรหลวงพ่อดูอเรื่อง ความเป็นมาของพุทธศาสนาความเป็นมาของพระสาวกอันนี้เรื่องพระสูตรเรื่องพระวินยัยก็คือกฎระเบียบคือสินสําหรับญาติโยมก็คือศินห้าสินแปด ส, สาเนงก็คือศินสิบยยี่สิบเจอันนี้ก็คือสินกฎระเบียบแต่ทอ น, นี้มาพูดถึงเรื่องธรรมที่หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องธรรมก็เรื่องนี่แหละ ชลาพุชะเกิดในครันนะเพราะพระไตรจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรพิตกท่านบอกว่าในเมื่อพ่อแม่อยู่ด้วยกันสามีภรรยาต่อไปสมสู่จากนั้นก็เนี่ยมันมีจุดหนึ่งอยู่ในท้องของแม่เหมือนเหมือนกับน้ำมันงานี่ยอยู่ในมดลูกเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งจากนั้นน้ำมันงาหยดนั้น ทีแรกมันจะใสติง๋งต่อไปมันจะเป็นสีสีแดงพอเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยอีกสักเจ็ดวันมันจะสีแดงก้อนสีแดงเท่านั้นน่ะเลือดสีแดงเท่านั้นมันจะเป็นก้อนขึ้นมาพราะอีกเจ็ดวันแหมมันจะแดงข้นขึ้นไปอีกเพราะอีกเจ็ดวันมันจะออกเป็นเป็นตุ่มเป็นปัญจาสาขาขาสองแขนสองสีสระหนึ่งเป็นตุ่มขึ้นมาจากนั้นก็ มันจะใหญ่ขึ้นมาพอใหญ่ขึ้นมาถึงเดือนขึ้นมาออพอเดือนสองสามเดือนขึ้นตัวนั้ น, น, นวิญญาณท่าวิญญาณคือล่องลอยอยู่เข้าไปเกาะท่เข้าไปยึดครอยๆเข้าไปจองไอ้สูตรแท้แต่วิญญาณตัวไหนที่เป็นมีบุญวาสนาหรือว่าเป็นมีบุญมีบาปยังไงเข้าไปเกาะท่านไปยึดไปยึดร่างตัว น, นั้นที่อยู่ในท้องแม่ พอเข้าไปยึดท and ี่นี so, э. so, so, so. So, ่ก็ไปคลองพอไปคลองที่นั่นกันพอใหญ่ขึ้นมาพอมีรูปร่างขึ้นมาวิญญาณนัะกระดุกกระดิกได้เลยท่านนายใส่หัวใส่เท้าไร่เลยนะให้เข้าเข้าไปเข้าไปยึดในกุศแต่ปไปยึดใหม่ๆก็เข้าเข้าออกออกพอเข้าไปแล้วก็ออกพอเข้าไปแล้วก็ออกวิญญาณนี่นะพอต่อมาพออายุเด็กแก่ขึ้นแก่ขึ้นวิญญาณก็เข้าไปคลองนะท่านนาย เขาไปคลองอยูใ่ในท้องแม่ถึงกำหนดแปดเก้าเดือนเก้าหรือสิบเดือนถ้าผู้หญิงถ้าเป็นนมถ้าเป็นสาวเป็นลูกลูกใหม่ลูกใหม่เก้าเดือนแต่ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วสิบเดือนคนโวรานเขาว่าสาวเก้าเท่าสิบคล้ายๆกับผู้หญิงที่อายุน้อยน่อย อายุ9เดือนจะคลอดลูกถ้ามีอายุมากแล้ว10เดือนจะคลอดลูกด้เมื่อคลอดออกมาเป็นหญิงเป็นชายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือวิญญาณบุญบาปที่เราได้ทําไว้ใ น, ในอดีตตกรรมถ้าว่าใครมีบุญก็ไปจับจองเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นลูกที่ผู้มีเงินถ้าว่าเราไม่มีบุญ เราก็ไปเกิดกับคนที่ชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาบางคนก็มีฐานะดีมีคุณธรรมศีลธรรมเพ้บเพ้อยังดีกว่าแต่พวกที่กล่ำรวยขึ้นมาแล้วไร้คุณธรรมศีลธรรมอย่างนั้นก็มีอีกมากแต่ที่บางคนไปเกิดกคับคนทุกคนจนแต่มากตามกว่านะั้นดีไปเกิดไปจองท้องหมูท้องหมาทท้องหัวท้องควายท้องช้างวิญญาณนเ มันไปได้ทั้งนั้นท่าพอเพิ่เกิดออกมาเนะะี่ยเออเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมากาไก่อันนี้ก็เหมือนกันพอออกมาแล้วกับเป็นหญิงเป็นชายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่ออกมาแล้วแต่เนี่ยขับรถแล้วตนีเออมาอยู่มันอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเรามีสองมีกายกับใจเออเนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบรรยายไว้ในในพระไตรปิฎก พอออกมาแล้วตะนี้เป็นหญิงเป็นชายแล้วชุดแท้แต่กรรมไะกรรมคือการกระทำในอดีตถ้าเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะให้ผลไปในทางที่ดีเพราะสร้างบุญเอาไว้ถ้าคนทำบาปบาปก็จะให้ผลติดตามมาบางทีก็อาจพอมาถึงในยุคหนึ่งไม่ไม่เท่าไหร่ตายเอาล่ะเพราะเหตุอะไรจึงตายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า คนที่ตายนะ่ยคือผู้ที่ฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินเกิดมาคนนั้นจะอายุไม่ยืนพอเกิดมาแล้วก็ตายบังเผอิอ๋วตายอยู่ในท้องไม่ต่างหากเพราะหอะไรเพราะชอบฆ่าสัตว์แต่ฆ่าผู้ใดชอบรังแกเบียดเบียนสัตว์ทุบตีสัตว์จนถัดสัตทุบพลภาพเกิดมาพบหน้าชาดหน้าคนนั้นจะมีอวัยวะพิกงพิการ แล้วก็เนี่นยแหละเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพราะว่าเคยหลังแกเบียดเบียนสัตว์สรุปแล้วก็คือเรื่องสุขภาพนี่ท่านว่าเรื่องศีลห้าข้อที่หนึ่งั่นน่ะปานาทิป า, าตาเวรมเนีคุ้มของถ้าผู้ที่รักษาศีลห้าดีแล้วเกิดพบใดชาติใดสุขภาพร่างกายจะไม่พิกลพิการจะเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะศีลคุ้มของนีน่แหละ เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้ในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาที่ท่านได้ตรัสได้บอกเอาไว้ลักษณะอย่างนี้นะจากนั้นขอให้พวกเราสังเกตดูการเกิดก็อย่างที่ว่านะกำเนิดของสพรพสัตต์ทั้งหลายชลาพุ ช, ชะเกิดในคันอย่างมนุษย์ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเรื่องาชาง้ชางม้าวัวควายอันธชะเกิดในไข่ พกเป็ดพกห่านพกนกชลาพุชะเกิดในกันอันทาชะเกิดในไข่สังเสรชะเกิดในเท่าในไข่สิ่งที่ปลุกศ ก, กปลกโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นตอนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร